ต้องใจเจ้าของไว้ถ้ารักษาใจไว้เป็นบดายแนวอื่นเท่าก็ได้ใจอย่างอื่นมันไม่ค่อยได้หรอกได้มาก็ใส่ตัวปูตัวแยมแล้วก็เม็ดซึ่งซือเข้าเกิดปลาเป็นส้มซุขปลาสุขมาใส่เจ้าของ จริงฮะของที่นี่ราคามหาบาตหลังแทงแห้งนะฮวขมอยูข้มจินมันเสร็จแน่บารุงดีๆแมาบม่บำรุงจะฟ้องแล้วคนข้าวเดีย ว, วมันก็เหมือเต้ซุ่มมันนั่นเท้าแสต๋เจ้ามวลเจ้ามีความสัมบายได้แต่ว่าเขาหาอยู่เรื่อยหาม่าใจแล้วมันกับว่ามันคักแล้วว่าะฉันตอนทิไปหาหนึ่งกั อันยามที่สุดความขวยหามาใส่เวลาเสียเวลาเสียกาลังคิดกําลังใจเสียเงินเสียทอหห่องหานเงื่อเสียซีบิตคนนี้หาแนวมุนอันมากแล้วไปเ จ, จ้าข้าวไปหาอีกขอบมันบวชพอข้าวเดียวมันเสมดอย่างคมมาคมมากันคมมวลกันมันจะเนี่มันบวชดูดดนเนี่ยมันเหมือน มันเม็ดเพราะว่าสิ่งต่างๆมันเป็นอนิจจังสวนวาอยู่ในโลกแต่เมื่เราหายังมามันก็อยู่บนดนเท่าเดียวมันจะเมดค่ อ, คอยๆหลุ่ยค่อยๆเสืเ่อมเมดไปคือกันจะกับน้ำน้ำถืงแดดเผานี่แ่ะแดดออกมากน้ำแก็ค่อยๆเหยไปเหยไปเมดเป็ น, น อ, ย, ย, ย, อนนย่งนั้นคือแนวเด็ ที่นี่เข้ากับรักษาใจเลยสักสมัยมันกลายนี่เข้าหามาโดนแล้วหาเนี่ยมากินกับกินโดนแล้วหาเกือหาผ่าหาผ้าหาแค่มะ่มมาถือมันเอากบบว่ายางดีที่สุดยางอบอุ่นที่สุดมาแต่เคยมากๆกับเทาเผาล่งอ่อนแอล่งโลกนั่นก็เป็นโลกนี้ก็เป็น ม่สีดสุดแหละก็จะรประคุ้มจานท่านของร่างกายนี่กัหน่อยลุ่งหน้อยลงเป็นอีแงในหน่อยกับเฟ้นโหลท่านเนี้เป็นโลกังจน๊นอยแลยเมืดแหงรือ่านี่เมืแห้งนั่นหละสัมร่งเทามึงก็เมืดเนยเอาว่าได้ดอกร่างกายนี่ยเอาว่าได้เอาใจถ้ารักษาใจมัเทาตรงตรงเฝ้าคัดไปแค่เดี๋ยวนี้แหละใจเนี่ยคนที่เอาว่าเน่คนที่บ่มีให้เอ า, อาใจเนี่ได ถอาว่หัดไหวทีเดียวนี่นะหัดซ่อมเจ้าของหัดสังเกตเบิ้งสิท์เบื้องใจเจ้าของนี่แหละนางยืนยิงมสี่ก็จะยามีจะคุยกันหลายนายืนบิบิดอซ่อมอใจยู่กับเจ้าของบนอ๋อไหสิทธิ์นะวิทย์เวนามา่นางยืนสิถ้าเขาที่เป็นเาวานาเขามายืนนั่งยืนสี่เด็เขาเป็นวนะ่าเป่นว่าพ่อนในมือแร่งไปนางสมาธินามูหรือจังคอเป็นเหาือนกัน โอกาสสิเป็นเรื่งสัง้นน้อยที่สุดแฮะบ่เคยเส็นหย่อนตอนบ้างหันหอกมันสิเส็นย่อนนี่แหละเข้ามาอยู่ตัวๆไปนี่แหละธรรมดาเนี่ยแหละนั่งอยู่กับหัจักซ้อมใจจ่อค้องไว้ซ้อมไว้อย่างสิเด้มันมันสิเป็นมาคิตมันสิโล่มันลงนั่นแง่เงี่ยสี่แหละแง่เข้าอยู่สบายสบายนี่มาต่องไปจดไปชอน ย, ยังหลายนี่แหละซ้อมเบิ ง, งกันเสดเบิงใจนี่มันอยู่หรด นี่แหละมันยังจิงเป็นภาวะหน้าแข็งมันเห็นสีดูดูเข้ากับซ้าหน้านั่นกำลังใจของเขามันสมนัมผัสกับค้งรู้สึกมันเข้มแข็งด้วยใจมันมีความมันความโค้งความเข้มแข็งบรใจให้ใจขึ้นบริชี้ความโกรธความเครียดนั่นแหละตอนเด็กใจอันใจเข้มแข็งเข้ากปก็ได้ข่้นเป็มแข็งนี่ละแนวลืน่นมันหมดแล้วมัดสภาพแล้ว ร่างกายเมื่อสถาบับแล้วมันบ่อห้ร้อยล้าได้วอาสั่นหมอขอไปน่นอยู่รงพยายบาลแล้วลูกเองก็เพได้ไปายไปเยี่ยวก็เพราะได้ยังทขเขาเขา้ปากก็เพราะได้ยังที่ทเด้เพื่องใจขนาะอันใจผมนีกําลังที่ไปเพืองได้จังไหนไนั่งเห็นใจมีม่ําลักคอเขาที่มีสำลักวกพุไปเกษเดียมีหล่ะซอมแม่ภาษาอีสานมันง่ายเล่ดอก สังเกตเบิ่งเปล่าเจาะเบิ่งซ่อมเบิ่งกันซ่อมดูดูเราเป็นภาวานา